พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใด ย, ยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ําต้องอบัตรปาจิตติเว้นไว้แต่ในสมัยสมัยในข้อนั้นคือวงเล็บหนึ่งท้ายฤดูร้อนหนึ่งเดือนครึ่งและเดือนแรกแห่งฤดูฝนรวมเป็นสองเดือนครึ่งเป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าววงเล็บสองสมัยที่เป็นไข่วงเล็บสมสมัยที่ทํางานนี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้